แล้ววันนี้เมื่อไปทรงแสดงทมแก่พวกชรินพวกบูชาไฟบูชาของร้อนเช่นนั้นนะพระองค์ก็แต่งธรรมะบรรยายเหล่านี้ให้เข้ากันกับกรรมวิธีที่พวกนักบวชเหล่านั้นบำเพ็ญกันอยู่อย่างนี้แหละเส้น อ, อ, อ, อ, อ, อดิตตปริยา ย, ยสูตร สูตรว่าโดยความร้อนตาหูจมูกกลิน้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสธรรมารมต่างๆเป็นของร้อนอย่างนี้แหละร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคคินาโทสั ก, กินาโมหคินาหมายความว่าร้อนเพราะไฟคือราคะ ร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพ่ไรลำพันธ์ต่างๆหมู่นี้ล้วนจะเป็นของร้อนทั้งนั้นเลยมันก็ทำใจของคนเราให้เร่าร้อนนหะเมื่อได้เกิดความแปรปวนของสังขารเหล่านี้ขึ้นมา ก็ทําใจให้ร้อนไอ้ส่วนไฟภายนอกนั้นร้อนก็จริงอยู่หรอกแต่ว่ามันร้อนไปไม่นานเหมือนอย่างไฟคือกิเลสอันหมักห ม, มมอยู่ในจิตใจของคนเราไฟภายนอกนั้นเมื่อหมดเชื้อมันแล้วมันก็ดับไปอันไฟภายในคือกิเลสก็เหมือนกันเนี่ยแต่ว่า <c oughs> ใจของคนเราเนี่สิ ไม่ยอมดับเชื้อของกิเลสง่ายๆมันพอใจกับกิเลสอยู่แต่ไฟภายนอกนั้นเมื่อเชื้อมันหมดลงไปแล้วมันก็ดับไปเองมันอันนั้นมันมันไม่ต้องประโยคพยายามอะไรเลยใ้ส่วนไฟคือกิเลสอันเผารอนจิตใจของคนเราอยู่นี่นี่จะปล่อยให้มันดับไปเองนั้นไม่มีทางจะ จะอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้จะให้เชื่อมันหมดไปเองอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้อืขอให้เข้าใจเนื้อในใจความอย่างนี้มันต้องอาศัยการประโยคพยายามดับไฟเหล่านี้อืพระศาทตาทรงแสดงว่ากิเลสเหล่านี้เป็นของร้อนอตาหูจมูกกลิ้นกายใจอะไรมันนี้ ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ร้อนมันไม่หนาวอะไรหรอกแต่เมื่อจิตนี่ไม่รู้เท่าแล้วไอ้ตาหูเป็นต้นเหล่านี้มันถ้าเป็นเหตุให้จิตนี่เล่าร้อนอ่าหมายความว่าอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยให้จิตนี่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะตาได้เห็นรูปเป็นตน้นเมื่อไม่รู้จิตไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งแล้วมันก็เกิดความรักความชังขึ้นมา ต่ทำให้ดิ้นลนแสวงหาหรือว่าคิดทำลายล้างขลานกันไปอะไรแบบนี้นะเหตุนั้นมันจึงเลยกลายเป็นความร้อนร้อนมันไม่ใช่ร้อนอยู่แต่เฉ พ, า ะ, ะเพาะในโลกนี้แับ น, นี้ร้อนไปถึงโลกหน้าเบียดเบียนกันทำกรรมทำเวรต่อกันบาปกรรมมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิ เอาเกิดไปชาติใดก็กรรมเวรยังไม่หมดมันก็กรรมเวรก็หน่วงเหนียวให้ไปเจอกันเข้าก็เป็นศัตรูกันล้างพลานกันไปก่อทุกข์ให้เกลกันและกันไปนี่แหละพูดถึงความร้อนเกี่ยวกับกิเลสตัณหานี่นะว่าร้อนไปนานถ้าหากว่าบุคคลใดโมเมาประมาทไม่ทำความเพียรไม่ทวนกระแสจิต ้อยให้กิเลสมันมาหมักดองอยู่ในใจนี่เรื่อยไปอย่างนี้นะมันก็เป็นเชื้อสายติดต่อไปตลอดถึงโลกนี้โลกหน้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วเป็นผู้ไม่รู้อำนาจแกกิเลสเหล่านี้ตั้งใจสู้กับมันละมัน ประหารมันเสียอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่มีเชื้อสายยืดยาวนานต่อไปอีกอืแล้วตัดเชื้อไฟคือกิเลสเหล่านี้ออกจากจิตใจในปัจจุบันนี่แหละตัดออกไปให้มันน่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนี้นะมันก็หมดเป็นส่ว่าแต่ใจเรานี้ไม่ชอบกับมันเท่านั้นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าใจชอบกับมันเอที่มันจะไม่เบาบางออกไปจากจิตนี่น่ะอันกิเลสต่างๆนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าใจเบื่อมันเส็แล้วไม่ชอบมันแล้วมันก็ระมัดระวังแล้วไม่สร้างมันขึ้นมาอีกแล้วที่มันมีอยู่แล้วนั้นก็พยายามตัดทอนมันออกไปอพยายามระวังรักษาไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างนี้นะแล้วมันจะมากขึ้นได้ยังไงกิเลสนั้นนะ ระวังอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละจึงว่าไฟคือราคะเป็นต้นเหล่านี้มันจะดับได้กเพราะความประโยคพยายามเรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความจริงหลักปฏิบัติไม่ใช่มากมายอะไรดอกแต่อุบายที่จะให้จิต มันในหลักปฏิบัติเหล่านี้เนะี่ยมันมีมากมายเพราะว่าจิตนี้มันไม่ค่อยอยากจะรับเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้มาไว้ในใจให้มั่นคงเรื่องมันนะเอดังนั้นจึงไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่ามันมีหลายเรื่องหลายรถก็เพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนให้มามั่นอยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยเช่นผู้ยังไม่ คิดเลือกว่าจะรักษาศีลอย่างนี้เอาก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาให้รู้ตัวว่าศี น, นั่นเป็นสิ่งควรรักษาถ้าคนไม่รักษาศีนแล้วอย่างนี้ก็จะไปทําบาปอบาปมันก็จะฉุดคร่าไปสู่ทุกข์ในโลกนี้โลกหน้าต่อไปเนี่ยพระ อ, องค์เจ้าจึงมาปลุกผู้ฟังทั้งหลายให้ตื่นขึ้นให้กลัวต่อทุกข์ภายในสงสาร แล้วมาสมทานมั่นในสินเมื่อสมทานมั่นในสินแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปเป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่ได้ทำบาปแลวมันก็ทำแต่บุญไปเลยนะมันก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นเอาเท่านั้นก็ยังไม่พออันมาปลุกใจของคนให้ตื่นขึ้นว่าเพียงแต่แค่ละบาปเท่านั้น มันก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกไปได้เพราะว่ากิเลสอันที่มันยังดองอยู่ในใจนี่นะ่ะมันยังมีอยู่มันยังเป็นเชื้ออยู่ไม่ใช่ว่าพอละบาปนั่นหมดไปแล้วอย่างนี้กิเลสนั่นจะหมดไปพร้อมกันเลย น, นี่ไม่ใช่อะมันยังไม่หมดอะ่ะ น, นั่นเองอ้าวกิเลสเมื่อละบาปได้แล้ว มาสํารวมในศินอย่างเนี้ยแต่กิเลสส่วนละเอียดไปกว่า น, นั้นยังละไม่ได้เมื่อหมดอายุสังขารอั น, นิสงส์ศินวันก็พาให้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ขณนเมื่อมีการเกิดอยู่อย่างนี้มันก็มีการตายถึง่ะเป็นเทวดาได้ก็ตายเมื่อหมดบุญลงไปเมื่อใดแล้วเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็ไม่แน่นักบ่เนี้ ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเทวดาบางต น, นะพอหมดบุญตายลงไปนี่ดิ่งลงไปสูน่นรกทีเดียวเลยก็มีอเพราะ อ, อะไรยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะบาปที่ผู้นั้นทําไว้แต่เป็นมนุษย์นั่นเองมันมีกําลังแรงกล้าสมควรนะอย่าง น, นมันก็ติดสอยห้อยตามไปคอยอยู่งั้นเพราะว่าหมดบุญเก่าที่ผู้นั้นทําลงเมื่อใด บาปเหล่านั้นมันก็สวมเข้าทันทีเลยอย่างนี้นะบาปนั้นมันหนักมันจะไปเกิดเป็นเปรตอาุรกายสเดชาญ น, นั่นไม่ได้ก็ต้องดิ่งลงนรกทีเดียวเลยจะมาเกิดเป็นคนก็ไม่ได้เว้นเสียแต่เทวดาตนใดถ้าจะเป็นมนุษย์นี่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างว่านี่แหละไปย้ำละเว้น จากบาปกรรมโ ค, คมชั่วต่างๆได้แล้วก็เมื่อไปเกิดสวรรค์แล้วหมดบุญอยู่ในสวรรค์แล้วจุดตินี่บุญบุญที่ให้เกิดในสวรรค์มันหมดแล้วแต่ว่าเศษของบุญยังอยู่มันถึงได้นํามาเกิดในโลกนี้อีกถ้าเศษของผู้ใด ย, ยังหลายมันก็นําให้มาเกิดในตระกูลสูง ได้เป็นพระราชามาหากษัตริย์บ้างเป็นเศรษฐีบ้างอะไรโมนี้แหละหรือว่าเป็นพ่อค้าพานิชเป็นผู้มีตระกูลอันสูงลดหลั่นกันลงมาตามวาสนาบา ร, รมีที่ติดสอยห้อยตามมานี่มันเป็นอย่างนี้อันเรื่องบุญกุศลนี่นะมันไม่ใช่ว่าพอเต็มหมดบุญจากสวรรค์นั่นแล้วอย่างนี้ก็จะ ไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีกเลยอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนอย่างบุคคลผู้ทําบาปกรรมมันชั่วนั่นนะเมื่อไปตกนรกเอาค้นจากนรกนั่นมาแล้วเศษบาทยังไม่หมดเอก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสเดชานไปลดหลั่นกันไปอย่างนั้นออจนกลัวว่าบาปกรรมเหล่านั้นมันจะหมดลงไปจริงๆริ มันจึงจะพ้นจากทุกขติเหล่านั้นมาเกิดเป็นผู้เป็นคนได้อันนี้ก็เหมือนกันนะไอ้พวกที่เป็นเทวดาแล้วจุดติจากเทวดาลงมามาเกิดในโลกนี้ผู้มีปัญญาผู้มีสติอยู่ก็มาสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อแบบ น, นี้นะ น, นั่นเอเมื่อโมรยโยสังขารแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเก่านั่นอีกไงอยู่สวรรค์อ หมดอายุอยู่สวรรค์แล้วก็ลงมามนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบา ร, รมีอีกหมดอายุจากมนุษย์ก็ขึ้นสวรรค์อีกงั้นสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัวมีแต่บุญกุศลล้วนๆ น, นะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ระหว่างมนุษย์และสวรรค์นี่ในที่สุดบุญบา ร, รมีมันก็เต็มได้นั่นเองเมื่อบุญบา ร, รมีเต็มแล้วก็ จะได้ไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเมื่อได้ฟังทำคําสอนของพระองค์แล้วก็บรรลุอรหัตตผลไปเลยไอ้พวกที่บุญบา ร, รมีเต็มบริบูรณ์แล้วนะนั่นแหละเกิดถึงได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานทีนีนะ้นี่แสดงเรื่องวิถีชีวิตของคนเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่นะ่ะ มันมีอาการแตกต่างกันไปดังกล่าวมานี่แหละเนื่องมาแต่การกระทำข อ, อให้เข้าใจเนื่องมาแต่ความพอใจของบุคคลบุคคลพอใจในการงานอันใดในการกระทาอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นธรรมดาผู้มีกิเลสเนี่ยทำอะไรไปมันก็เป็นตัวกรรมไป มันไม่เป็นเหมือนอย่างพระอระหันต์ที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วอันนั้นท่านทำอะไรลงไปนั้นไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปเลยสักแต่ว่าทาไปพอปานนั้นเน่ยเพียงได้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสำหรับประโยชน์ของท่านนั้นเต็มเพียบบริบูรณ์แล้วแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอระหันต์เนี่ยมันยังบกพร่องอยู่หลายอย่าง น, นี้กิเลสก็ยังมีหนานแน่นอยู่อย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นเมื่อทําอะไรลงไปพูดอะไรไปอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในใจนู่นทีนี้นั่นนะถ้าว่าทําอะไรพูดอะไรไปเนื่องจากว่าจิตใจนั้นมันมันยึดเอากิเลสอันใดอันหนึ่งว่าอย่างนี้มันก็แสดงอาการกายวาจาออกมาอย่างนั้นแหละอเช่นจิตใจมันยึดเอาความรักไว้ในใจอย่างนี้นะ เมื่อมันแสดงออกมาภายนอกมันก็แสดงออกเป็นคนเจ้ามายาสาไัต่างๆ อ, อทั้งกิริยากายก็มายาคําพูดคําจาทั้งวาจาก็มายาสาไัเกี่ยวกับความรักความใคร่โมนี้นะนั่นมันมันถึงว่าเมื่อจิตใจนี่มันยึดเอากิเลสไว้อยู่ยางละกิเลสไม่หมดทําอะไรพูดอะไรออกมามันก็เลยจึงว่าเป็น อาการของกิเลสไปนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่เมื่อความต้องการสิ่งที่ตนรักใคร่นั้นไม่สมหวังแล้วก็กลายเป็นความโกรธขึ้นมาออย่างนี้แหละกะยกตัวอย่างเช่นบุคคลผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งร่างกายสังขาร น, นี่ตามเป็นจริงมันก็หวงว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ย ไม่อยากให้ใครมานินทาว่าร้ายยกโทษติเตียนถ้าใครมาใส่ร้ายยกโทษติเตียนไม่พอใจโกรธอย่างนี้พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ตอบโต้ออ ก, กันไปก็เลยกลายเป็นอกุศลไปแบบนี้นะนี่แหละกิริยาการของ